พระธรรมเทศนากันนี้แทนพระอาจารย์มหาบุวญาณสัมปโนแสดงโปรโดชนะศรัทธาที่มาจากจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่22มกราคม2568ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีในหน้าที่ในทางทางเลืกและทางรม เองเป็นความลำบากอึดตามเมื่ออาศัยความพล า, างชึ่มทันดีเป็นประจำเมื่อจิตอี่มเคยป็นเคยเห็นหน้าลำบากก็ค่อยกลายเป็นของงามขึ้นการปฏิบัติประกาศาสานาก็มีว่าเป็น่นนั้ น, นเหมือนกัน เพราะเราไม่เคยทำมาบวชก็เพิ่งจะได้มาบวดไม่เคยมีการบวดบวชสึกๆเหมือนอย่างเขาทำงานจะดจำบ้างการศึกษาศึกษาหมดยิ่งนั้นตลอทำเพิ่มเห ม, หมือนเพิ่เหมือนก็อตั้งเป็นการลำมากยากตั้งกรรติดจำ ยกทั ar, ия, elle, ้งการจะนำไปประพฤติบัติดับกายวางใจใจทั้งตนให้เป็นไปตามหักของก็ทธารมวินัยที่เชิงปฏิฐานมาการไปการมาเรียกไรเลยคะในเอวบททั้งสี่เ็นหลักผู้เก้าวเข้ามาเป็นนักบวทแล้วย่อมมีพระทรรนี่ยพระวินัย เป็นเพียงปกกรองรักษาคียามายาที่จะเปลี่ยนไหลไปมาต้องมีทำรรมียิ้มหน้าตามขุมกรองรักษาอยู่เสมอมาให้เพียงแา่กลับๆคียามายาทของพระที่ผมกรองกับพระธรรมมีหนึ่อันเป็นเหตุที่จะทํำตัวให้ มีความล่มเย็นและเป็นความเชีา่างแนงประจำเป็นและปชาเป็นผูท้ทัฒนาทุกๆความเคลื่อนไหวต้องมีการนำมัดระหวังไม่เชยนนั้นก่อไม่จัดใา้เป็นนักบวชซึ่งเป็นเพื่อปิ่ทั้งรวมระหวังมีกล่าวถึงความยากก่อความยากประจำงานที่หรอเพิตของตน ขณะที่มีมงานประจําตนดังนี้ได้แต่งานจะปฏิบัติตามหลักของข้อดีใหปฏิบัติตามหลักของข้ะธรรมเพื่อนอําผลอันเป็นความเจรนนิญมาสู่ใจั้งเราเป็นมีการยากบบ่งเป็นธรรมดาแต่ความยากหรือความง่าย เราปฏิบัืเป็นหลักสำคัญมากยิ่งกว่าผลที่เราต้องการซึ่งตนเห็นว่าเป็นผลที่ดีแลนะมีความสุขเมื่อปฏิบัติตนได้โดยถูกต้องแล้วฉะนั้นการปฏิบัติพ่อศาสนาโรธมุ่งผลที่ตนได้กำหนงไม่แล้วอย่างไรและย้อน กลับมาปรับปรุงเหตุคือการบำเพ็ญให้เป็นไปตามไม่ต้องคำนึงถึงความยากหรือความลำบากแต่าหากเราจะมาคิดในแง่ของความยากความลำบากแล้วจริงเรานม่แล้วจะต้านทานการดำเนินของเราไม่สะดวก ความที่ว่ายากว่าง่ายนั้นย่อมมีอยู่ในหน้าที่การงานทุกพนเนกถึงวาระจะยากก็ต้องยากแต่ต้องทำถึงวาระที่จะง่ายจะสะดวกก็ท้อง่ายและสะดวกจำเป็นก็ต้องทันเพียนเดียวกันกันกนกนกบจิตการงานซึ่งถึงจิตหรือวาระที่ยากความยากและง่ายทั้งสองประเภทนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินงานจะ ต, ต้องฝา่าฝืนเป็นผ่านไปได้ถึงผลที่ตนมุ่งหวังสำหรับนัก บ, บวชของเราโปรดได้คำเนินถึงผลที่ตนต้องการแล้วปรับปรุงเหตุคือการดำเนินถึงผลให้ความขยันหมั่นเพียรอย่าให้ความเกียดคร้านความมักงค่าความอ่อนแอเข้ามาแท้ สิงหัวใจบ้างความประพฤติของเราทุกๆบ้างการกระทำของเราทุกๆประโยคจะเป็นเหตุให้ด้อยลงเมื่อเหตุคือการกระทำด้อยลงแล้วผลที่จะถึงจระสงนั้นก็ต้องดยอยลงตามๆกันผู้ปฏิบัติจหมุ่งตอผลอัน เป็นที่พึงพอใจจึงมุ่งต่อการปรับปรุงตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและแข็งแรงขึ้นไปเป็นลนำดับทั้งด้านการเปริดพิษเกี่ยวกับทางด้านพระวินัยคือเกี่ยวกับมลยา่าทายแม่ทั้งด้านความเปิดทิษคือการดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำ น, นาจแข่งความเพียร อย่าให้เป็นไปตามหน้าของกิเลสผิดพ่าดไปผลที่จะเป็นไาจะกลายเป็นความเดือดร้อนไม่สมกับพระประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงวางพระธรรมะไว้สำหรับให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความร้อนอยูเป็นประจำในสันดานและสมความมุง่งจะไม่สมความมุ่งหวังของเราผู้มุ่งหนามาหาความร่มเย็นใส่ตัวเอง ด้วยการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านเมื่อธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ทรงไว้ขึ้นความร่มเย็นอยู่แล้วด้วยเราก็ปฏิบัติคือกลับกรึงกายวาจาใจของเราให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความร่มเย็นด้วยผลที่จะพึงกระจัดกับใจของเราผู้จะพึงรับผลก็ต้องปรากฏ เป็นลำดับปดังนั้นการปฏิบัติหรือบำเพ็ญทุกทุกประโยคในหน้าที่ของเราโปรดได้ดำเนินไปได้วยความขยันหมั่นเพียรวาลติดใด้คิดขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดรอนความเพียรของไหล จะเป็นคิดเรื่องนอกก็ตามคิดเรื่องภายในของตัวเองก็ตามอย่าให้ได้ปล่อยความคิดประเภทนั้นให้สั่งสมตัวเองหรือฟักตัวเองขึ้นมาเป็นมีกําลังมากสามารถกั้นกลางการดําเนินของเราที่เป็นปิดประส่งซึ่งตนมุ่งอยู่แล้วนั้นให้เสี่อนน้อยถอยลงไปหรือให้ล่มละลายไปเสีย คำ ท, ที่ว่าค่าสิทินั้นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่โลกกระถางรูปเสียงตืิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นค่าสิตต่อเราโดยถ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปทำความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจึงนาเรื่องความพเพลิดร้อนมาให้เราเพราะเหตุใด เพราะสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นของมีอยู่ยดั้งเดิมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าไดยตัดสู่หรือก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าองค์ใดๆก็ตามเรื่องสภาวะทั้งหลายมีความปรากฏขึ้นตั้งอยู่แปรสภาพผัดเปลี่ยนเวียนกันไปวนกันมาอยู่เช่นนี้ไม่เคยได้ขิ่นศูนไปจากโลกนี้มาตั้งแต่การไห น, ไหน แต่เรื่องของจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถือมาเป็นอารมณ์ของใจทำให้ใจเกิดความรักในสิ่งนั้นแล้วติดพันทำให้ใจเกิดความทังในจิ่นั้นแล้วเกิดความติดพันหมุนความติดพันนั้นเข้ามาสู่จิตใจทั้งตนกลายเป็นความทุกขึ้นมามีจรงเรียกว่า ผิดก่อเรื่องใส่ตัวเองจึงหาความสงบเนียเป็นไม่ได้การที่เราบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะให้ได้รับความสงบสุขนั้นัวได้แก่การพินิจพิจารณาสภาวะทั้งหลายที่ใจเคยสั้มพันเกี่ยวเนื่องชอบรักกับสิ่งนให น, นั้นให้รู้ตามสภาพของเขา ทั้งรู้ตามเรื่องของใจ ท, ที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะทำความลํำคาญด้วยเดือดร้อนแก่ตนเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะได้โยกย้ายเตลี่ยนความรู้ความเห็นมาจากสิ่งที่ตนเห็นมาเป็นภ่าสึกซึ่งได้พิจารณารอบแล้วด้วยปัญญาหมูนตัวเข้ามา ทรงเป็นองค์แห่งความรู้มีท่านเรียกว่าความสงบวิิยาแห่งใจที่สงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอันใดทรงตัวอยู่ตามสภาพโดยไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยโลกใดๆท้งนั้นมีท่านเรียกว่าความสงบสุขของใจคือไม่มีสิ่งใดจะทำจิตใจให้กระเพื่อมและจิตใจก็ไม่เขย่าตัวเอง ด้วยอารมณ์หือการคิดตรงต่างๆให้เกิดความกระเพื่องซึมหาความสุขไม่ได้มีแต่จะพยายามการกรองจิตใจของตนออกจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งตนเห็นว่าเป็นค่าศึกหรือซึ่งธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นค่าศึกออกจากใจเป็นลำดับลาดับใจเมื่อใด ควรกระแสะออกมาจากสิ่งนั้นด้อนเข้ามาสู่สจิตใจเป็นความรู้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดแล้วการนั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะรู้ความสงบก็จะรู้ขึ้นในเวลาหนั้นความสุขก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้น ความอาัศจรรย์ลิบแปลกประหลาดซึ่งเราไม่เคยผ่านมาทั้งๆ ท, งที่ก็เป็นของมีอยู่ในจิตนี้เราก็จะได้เห็นได้รู้ในขนาดนั้นถ้าจิตยังไม่มีความสงบจากอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตราบใดจิตจะหาความสุขมาได้ตราบนั้นแม้การปฏิบัติศาสนา แล้วก็จะเชื่อเพียงคาดทะนซึ่งเป็นของเอียงๆหรือล้มละลายไปได้อย่างง่ายๆแต่การเชื่อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดัดแรงจิตใจของตนเองให้หายพยศเข้ามาเป็นขั้นๆจนถึงกับปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาภายในภายในใจนี้เป็นสักขีพยานอันสำคัญ ที่เรียกว่าเป็นสันคิตภิโกรคือผู้ปฏิบัติจะปรากฏเห็นทางในตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อต่อผู้ใดแต่หากเป็นความเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นความเป็นของตนอยู่ในเวลานั้นนี่เป็นธรรมที่จะเป็นสี่หรือเป็นเชื่อให้ใจได้รับความเชื่อมั่น ให้ใจได้รับความดุดดืนนล่นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความภาคเพียรความอดทนต่อการบำเพ็ญเพื่อทำหรือเพื่อจิตให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับจิตนี้เป็นของกลางกลางจะว่าดีเสียทีเดียวก็ยังไม่เชิง จะว่าชั่วเยอะที่เดียวก็ยังไม่พอการที่จิตจะกลายเป็นจิตชั่วหรือจะเป็นจิตดีขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นต้องอาศัยสิ่งเพื่อแลงหรืออาศัยการดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามทางดีหรือชั่วนั้นเป็นจิต เราได้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเราอยากเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดความเดือดร้อนขึ้นมัวขึ้นมาภายในตัวเองโดยหาสาเหตุมิได้แท่จริงสาเหตุนั้นแลนเป็นเครื่องเกิดก่อนความเดือดร้อนของจิตซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นทีหลังแต่เราไม่สามารถจะทราบ กระแสะของจิตที่คิดไปก่อความเดือดร้อนอันเป็นตัวเศษนั้นจนปรากฏผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาภายในตนต่างหากหากเราได้สังเกต ด, ดูเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ว่าเอยาบทใดตั้งนาทำความสังเกตเรื่องจิตใจของตนจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ใด ทุกเวลาแล้วอย่างไรเราต้องทราบเรื่องของจิตที่คิดไปในทางดีและทั่วเมื่อเราทราบความคิดของจิตที่เป็นไปในทางดีและชั่วด้วยการสังเกตเราแล้วเราก็มีช่องทางที่จะกรับปรุงจิตใจซึ่งคิดไปในทางที่ผิดนั้นให้วกกลับเข้ามา คิดในทางที่ถูกผลก็จะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะความสุขก็มาเคยเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากสิ่งส่งเสริมหรืออุดหนขึ้นมาต้องมีสาเหตุเป็นทางดีอีกเหมือนกันกับทางชั่วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ทุกๆแง่ทุกๆ ก, ก, ก, กระทงที่เราจะทํากันอยู่ทุกๆวันนี้ เป็นสาเหตุอันดีคือเป็นต้นเหตุอันดีที่จะทำจิตใจของเราให้เน้นนับความร่มเย็ยนเป็นสุดไ ป, ป็น น, น, นถึงเรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการบาเพ็ญการสอบรู้เรื่องจิตใจของตนคือทันเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการอบรมนั่นเอง จิตใจเป็นอย่างไรจรึงตั้งอกปลงถ้าจะเทียบแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนผลละไม้ที่ยังไม่หามยังไม่สิก็ต้องอาศัยการบำบึงลำต้นให้ต้นไม้ต้นนั้นนั้นซึ่งเผาสงผลอยู่แล้วนั้นได้รับอาหารเรื่องหล่อเลี้ยงภายในตัวเองผลละม้ที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นนั้นเมื่อต้อนไม้ได้รับผล ได้รับปุ๋ยได้รับอาหารทุนธรมาตที่ติดเนื่องกันดีก็พอเดีรับความคื้มค่าจากอาหารอีกเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันจะห้ามหรือนับวันจะจุกเป็นธรรมชาติ ừ, การอบรมจิตใจก็เป็นเช่นนั้นพ่อวัดปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยที่จะมาส่งเสริมจิตใจของเราให้รับ ปุ๋ยอันดีได้แก่ธรรมะเมื่อปุ๋ยข้างนอกก็ใส่เข้ามาปุ๋ยภายในได้แก่การอบรมจิตใจโดยเฉพาะก็บำเพ็ญทุกๆเรื่อเมื่อใจได้รับการสนับสนุนจากธรรมะที่ชอบแล้วก็ยอมจะปรากฏตัวหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นความเป็นของตัวเอง เข้ามาทางด้านดีเสมอเสมอจนปรากฏเป็นจิตที่มีความสงบเยือเกเย็นภายในตัวเองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเรื่องของจิตจะมีความสงบสุกก็ต้องอาศัยปุย๋ยเป็นเครื่องบำบึงหรือหล่อเลี้ยงเหมือนกันดังนั้นเราทุกท่านที่ประ ก, กอบความเพีย โตดได้ทราบว่าเรากำลังส่งเสริมหรือบํารุงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ถูกต้องกับใจใจของเราอย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเมื่อเราบําเพ็ญไมว้เลดศละแต่การปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งได้เคยอธิบายให้ผ่านภูตังทราบมาหลายครั้งแล้วว่า ต้องเป็นการลำบากเป็นธรรมดาเพราะเรายังไม่เคยทำแต่จะลำบากขนาดไหนขออย่าให้เนื้อไปจากความเพียรของเราที่จะติดกั้นหรือปัาศจาความลำบากอ น, นั้นให้หลุดลอยออกไปจากติตใจเหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นเรื่องล้อมละล้อมรอบติตใจ ส่งเสริมบำรุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นจุดขึ้นเป็นปน้ำหนักนี่เป็นทางแห่งสันติธรรมเข้าไปเป็นขั้น ข, น, ข น, นับแต่สันติคือความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิและสันติที่เป็นความสงบขึ้นไปถึงขันง้นแห่งบุญมุกกรณิพานจะไม่พ้นจากวิธีดำเนินซึ่งเราทั้งหลายดำเนินดีม้าบัดนี้ จิตที่ไม่ได้รับความสงบในเวลาบำเพ็ญมีเข้าใจว่าขณะที่ลาบำเพ็ญ น, นั้นจิตอาจจะเล็ดลอดออกไปสู่ อ, อารมณ์ซึ่งเคยก่ อ, กอควา ม, มยุ่งเหยิให้คนอยู่เสมอหากว่าจิตได้อยู่ในองค์แห่งภาวนาจริงๆแล้วยังไรความสงบต้องปรากฏแน่นอน ไม่มากม็น้อยเพราะจิตไม่มีทางเล็ดรอดออกไปอู่อารมณ์ซึ่งเป็นเพ่องก่อเกลื่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของสติที่จะกากับรักษาจิตใจนั้นจึเงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้บำเ พ, เพ็ญเพื่อรู้วิถีของใจตนเองหากสติได้ขาดไปในวาระไลเรื่องความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดออกไประชูอารมณ์ต่างๆย่อมมีโอกาสจะแสดงตัว หรืออาจเอื่อมออกไปมากในวารัเท่นนั้นแต่เราไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตได้เดินลอดออกไปเวลาใดแล้วก็มาเหมาตัวเองเนี่เราก็นั่งภาวนามาเป็นเวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชัว่วโมงเหตได้จิตจึงไม่เป็นไปเพราอความสงบเ ย, ยือกเย็นและอาจจะคิดไปมากกว่านั้นก็ได้ว่า เราอาจจะไม่มีอํา น, นาจวาสนาที่ควรจะตรงหาชนาธรรมคําั้งสอนของพระพธิสัตว์ตลอดมรรคผลนิพพานนะหากว่าเราทําไปก็คงจะเป็นทันนองนิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นคนอาภรรัพไม่สมควรแก่เพศภูมาจานท์นี่เลยออกไปเป็นคารวาสญาติโยมเขาเหมือนคารวาสญาติโยมเขาแล้ว บำเพ็ญทานศีลภาวนาไปตามกำลังของตนก็เห็นจะได้บุญได้สิสงจิตอาจจะคิดไปเช่นนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้ย้อนถึงเรื่องของเราว่าขณะที่เราบําเพ็ญยู่นั่นเราได้มีข้อสังเกตลึกกากับจิตใจอย่างไรหรือไม่ จริงไม่ได้รับผลเท่าที่เราต้องการและการที่เราจะเปลี่ยนความคิดไปเช่นนั้นเป็นทางที่ถูกต้องตามหลักของคู้ที่มุ่งผลอันมีเยี่ยมหรือไม่และเมื่อเราละเพศออกไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอุบรยสัยวาสนาสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่ นักผลนิพพานจะปรากฏในเวลาที่เราติดออกไปนั้นจริงหรือไม่หรือว่าคุณงามความดีทุกประเทศต้องเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรการบำเพ็ญก็เวลานี้เรากำลังจะดัดแปลงจิตใจของเราให้กล้าเข้าสู่ระดับธรรมอันสูงเห็ุไดเราจึงมีความท่อแท้อดแดหรือให้กิเลส ซึ่งเขาเคยต่ําอยู่แล้วตามปกติของเขาชุดลากจิตใจทของเราให้ไปเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่เทบเต็มอยู่นั้นนี่เราต้องย้อนถามตัวของเราเสมอหากเราใายความใขว้ครวนพินิจพิจารณาอยู่เช่นนี้เลยแม้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็จะทราบวิถีทางเดินของจิตที่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์เครื่องก่อกวน หรือทำความม่สงบให้เราเราอาจจะมีโอกาสสามารถจะบังคับจิตใจซึ่งเป็นตัวคลิกขนองดิบประจำตัวตลอดเวลานั้นให้หายพยศพยศไปวันละเล็กละน้อยจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในเนื้อมือของตนได้ ด้วยการพิจารณาตามที่กล่าวมานี่เพราะเรื่องของพิเศตัญหาอาชะวะทุกๆประเทศที่นักบัณฑิตนักปราชทั้งหลายท่านตำหนินั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่กลัวสิ่งใดในโลกนอก จ, กจากตัวคนที่มีธรรมเท่านั้น คนที่มีธรรมะคือต้องมีความขายันหมั่นเพียรมีความอดความทนต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำเป็นผู้หนักแน่นบึกบึนเสมอที่เหนตดกลัวเหลือเกินกลัวคนประเภทนี้แต่ที่มีความรู้สึกคิดนึก ร้อยไปตามกิเลสนั้นเป็นเรื่องจะส่งเสริมอำนาจวาสนาสกิเลสของกิเลสที่เกิดมีจำนวนน้อยให้มากมุลนขึ้นไปเป็นอนาจจนไม่สามารถจะแก้ไขขอดขวนตัวได้เพราะอำนาจกิเลสมีกำลังมากมากขอให้นักท่านนักปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจกับตนเองไว้ทุกท่าน เพื่อความคิดที่เป็นไปในทางต่าจะถูกลากเราลงไปเราจะได้มีเครื่องมือตามประหัตประหารหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าสุดนั้นว้าเอาจิตใจซึ่งเป็นสมบัติของเราก้าวเข้ามาสู่หลักทําได้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรภายในใจของบุคคลผู้นัน้น การบำเพ็ญจิตใจหากได้ตั้งสติกํากับจริงๆมีความภาคเพียนเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยแล้วจิตจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความพยศต่อเราเสมออย่างใดก็ต้องยอมจานวนเราในวันใดวาระใด ว, วาระหนึ่งตนได้ และเรายังจะได้เห็นผลแห่งความเพียนของเราที่แสดงตัวออกมาให้เป็นของอังคัร์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจะยากหรือลำบากก็ขอให้เราคิดถึงภาวะความเป็นอยู่ของเราว่าไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาอาชีพ ไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาที่อยู่เพราะกุฏิที่พักไม่มีไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาข้าวหาปลาหาซื้อหาขายตามตึกบ้านร้านตลาดมาฉันไม่ได้ยากลำบากเพราะการแสวงหาสบงจีวรเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างซึ่งเป็นเครื่องอุป ก, กรณ์ของสมณะทุกทกสิ่งเหล่านี้ บรรดาคณะศรัท ธ, ธาคือญาติโยมเป็นผู้ถึงพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนท่านนักบวดผู้กล้าตายในสงครามแห่งพิเดทังนั้นเขาอยากได้บุญด้วยพวกเราเหลือเกิ น, นถ้าเราเป็นแนวหน้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองด้วยความกระหารต่อแดนแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาพเจ้าทรงได้สาเร็จ และประกาศว่ให้พวกเราแล้วผู้ใดๆก็อยากจะกราบอยากจะว่าอยากจะทําบุญให้ทานอยากจะสนับสนุนแม้เขาจะทําเช่นเราไม่ได้เขาจะเป็นเพศอย่างเราไม่ได้ก็าตามแต่ความรู้สึกอันซาบซึงจริงใจของผู้ที่มีความหวังดีต่อประกาศาสนาและหวังดีต่อผู้ตั้งใจประพริบปฏิบัติดีนั้นในโลก เหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่จะขออนุโมทนาสำหรับท่านผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัติตามสุปฏิปัโนโอุทุญญาสามิกิปฏิปัโ น, โนเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปเป็นลำดับหนักจนถึงบิมุตพนิพันเราไม่ต้องไปกังวลกับปัตว์ใจผีที่อธิบายผ่านานั้นหวาดกลัวจะขาดเขิน กลัวจะบกพร่องขอให้ทำหนึ่งเรื่องของตัวโดยเฉพาะว่าการประพฤติตัวเองนี้เวลานี้มีอะไรบกพร่องการเคลื่อนไหวไปมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบกพร่องภายในกายภายในวาจาภายในจิตใจของเราที่คิดติดทุกขณนะนมีอะไรบกพร่องพยายามซ่อมแซมพยายามปรับปรุงความบกพร่องของตน เป็นประจำนี่คือหน้าที่หรือการงานของพระผู้ได้รับความสนับสนุนจากประชานะชนศรัทธาด้วยความเต็้ใจของเขาจะทําโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะทําโลกให้ร่มเย็นแม้จะมีจํานวนน้อยๆก็สามารถจะผิดผลทําความร่มเย็นให้แก่ประชาชนได้เป็นจํานวนมากมา เพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แ้วท่านผู้ใดาสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นจนถึงขั้นเป็นผู้คลองสมบัติอันล้นค่าตามที่พระองค์ท่านทรงประทานมาแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้สามารถให้ความร่มเย็นได้รับผลประโยชน์จากเราข้าเข้ามาวัด ก็เป็นไปเพื่อความเย็นหูเย็นตาเย็นจิดเย็นใจมองเห็นทันนักปฏิบัติที่ดีมีกิริยามายาทีเรียบร้อยมีเข็มทิศมุ่งว่ายเพื่อทำอย่างยิ่งแล้วเกิดความเย็น อ, อกเย็นใจแม้ตนจะบำเพ็ญอย่างนั้นเหมือนอย่างพระไม่ได้ก็เกิดความเย็นใจที่เรียกว่าเขาพลอยได้รับบุญรับกุศลได้รับความสุข จากท่านผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นผู้มีความสามารถบำเพ็ญจนถอดถอนตนจากสินที่เป็นของไม่มีค่าได้แก่กิเลสทันหาอสุหะใยๆทั้งสิน้นปรากฏตนเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาในระหว่างแห่งกิเลสที่เด้ชินจิตจงไปแล้วงั้นผู้นั้นแหลคือว่าเป็นบุญยะเขต เนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์ในตนด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยในโลกเขาได้กราบว่ายังสนิทในจิตในใจเรื่องใสเต็มอกเต็มใจบำรุงพระศาสนาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมีหัวหน้ามีกองทัพห้าพาดาเนินเพื่อสรรติสุขให้แก่ธรรม ทางดานธรรมะแล้วสารพิสุขให้แก่โลกได้รับความร่มเย็นดังนั้นหลักของพระศาสนาที่วางไว้ทุกแง่ทุกมุมจึงเพื่อประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเท่าที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเองาศาสนาจึงไม่เคยเป็นท่าสิดต่อโลกตั้งแต่การไหนไหมา ใครจะเป็นคารวาตเจ้าเวียนประเพสศีลทำได้คอไหนก็เป็นความร่มเน็นในครอบครัวหรือสังคมนั่นนั้นคู่เป็นนักบวชปฏิบัติภาศาสนาบำาเพนศีนของตนให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิของตนจนได้รับความเยือกเย็นเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้มีหลักใจใครที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจยิ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด ด้วยอำนาจการขุดค้นโดยทางปัญญาพิจณาถึงสภาวะทั่วทั่วไปให้เห็นเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งท่านและเราทั้งสภาวะทั่วๆั่วไปโดยทางปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วถอนจิตใจของตนออกจากความเกี่ยวข้องพวกพันซึ่งเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเสียดำลงตนด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ นี่ยิ่งเป็นคุณธรรมอันน้ำค่าหาได้ภายในตัวของเราซึ่งไม่ต้องไปหาคือหาแรกเกี่ยนมาจากที่ไหนโลกทั้งหลายก็ได้กราบมาทารพ บ, บูชากแม้ตายแล้วกระดูกก็ยังเป็นอของมีคุณค่ามีราคาใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลแก่ บ, บ้านนั้นเดือนนั้นแก่บุคคลผู้นั้น เทีนเดียวกับพระพาฏองค์ขององค์สมเด็จพระพูมธพระพาฏกาโลกทั้งหลายได้กราบไหว้อย่างสนิทถากเป็นปากตายมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ไม่เพียงแต่จะว่ากุฏทางพระนางกัจฉามิในองค์ของพระพุท ธ, ธเจ้าเครื่องที่เป็นของเกี่ยวข้องกับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดิเศษไปด้วยกันหมดเพราะคําว่าพุทธะนั้นเป็นธรรมชาติ ที่เป็นธรรมล้ำค่าภายในพระทัยของพระองค์ท่านฉะ น, นั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติั้งหลาโปดร ด, ด้นวิสาทําความอุตสาบํเพ่นในหน้าที่ของเราคือการอบรมจิตใจให้เห็นผลประจักษ์ เริ่มตั้งแต่ความสงบเงย็นใจด้วยอำ น, นาจของการภาวนาย่าได้ลดละนี่แหละเป็นทางที่จะให้เกิดความเสมภายในจิตใจใครที่ไหนแดดจะร้อนก็ไม่ร้อนอากาศจะหนาวก็ไม่หนาวภายในใจใครๆจะรุ่มร้อน เรื่องของใจนี้จะมีความร่มเย็ น, นทรงตัวไว้โดยสม่ำเสมอจะไม่มีความเอีย ง, ยงไปตามโลกกระททั้งหลายที่เป็นไปอยูเช่นนั้นตลอดกาลจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและมีความสม่ำเสมอภายในภายในใจตัวเองตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ก็รู้ชัดว่า ตนได้พ้นแล้วจากสิ่งที่เต็นท้าศิษคือกิเลอาสวะเชื่องรังความจิตใจเมื่อผ่านจากธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์อันนี้แตกสลายลงไปตามภาตเดิมของเขาเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมทั้งแถงไม่ได้เอเอียงนิ้น้อมไปตามถิงใดๆทั้งนั้น เพราะเป็นตัวของตัวอย่างเป็นที่แล้วหมดเรื่องที่จะพึ่งพิงกับสิ่งใดๆท่านจึงเรียกว่าเตโกธรรมโมธรรมอันเดียนี่คือผลที่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรกระพือปฏิบัติ อยากหรือลำบากก็บำเพ็ญไม่เห็นแจ่สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าทาอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ไหนโปรดจยาได้ลืมหน้าที่ของตน และจะทำความสนิดติดจมกับถิ่นใดๆให้ปรากฏเป็นมีความเป็นพระประจำใจเราอยู่ทุกสถานที่การเวลาไม่ไว้ใจและไม่ละแคละคลายกับถิ่นใดเป็นผู้สนใจต่อการบําเพ็ญท้องเทีอยู่อย่างนี้เสมอ นี่แลคือทางจะเป็นไปเพื่อความย่มเยินแก่องค์แห่งรักของลักไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหยอเฮิมไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาภายในใจเมื่อได้รับสิ่งมา ก, กระทบไม่เหือเห่อเิมไปตามสิ่งที่มายั่วยวนจิตใจโลกกระทาไม่อยู่ที่ไหน ท่าใจไม่เอ็นแต่แล้วโลกกระทำก็สักแตว่ว่าทีไม่อาจสามารถจะมาลังแจจิตใจทั้งเราให้เอียงไปตามโลกกระทำได้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติมีหลักธรรมรักษาตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้แสวงหาที่วิเศกสงัดนี่แหละเป็นหลักสำคัญ ซึ่งจะไม่ทำเราให้ขาดทุนไปที่ไหนก็มีกำลังการเสาะแสวงหาครูอาจารย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือแบบแผนตำรับตำลาแม้เราจะได้เรียนมามากน้อยแต่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติให้เป็นสักธิีพยานแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เหมือนกัน ในข้อนี้ก็เห็นในโคษท้องค้มเองที่ได้สอบแสวงหาครูอาจารย์แม้จะเรียนมามากก็ไม่สามารถจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบและทรงตัวขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ท่ำสำนทกชำนานในทางพระในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในคอยชี้ช่องบอกทางและท่านบำเพ็ญให้เห็นเป็นตัวอย่างกระจัดอา พูดออกมาก็ได้ยินชัดในทางหูว่าท่านพูดเป็นอา จ, จเป็นธรรมอะไรบ้างนอกจากนั้นยังจะได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากท่านที่ท่านบําเพ็ญมามีความรู้มากน้อยและความเป็นของจิตของเราเป็นยังไงเมื่อได้กราบเรียนท่านแล้วท่านอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ่มชัดเจนหายสงสัยมีแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท่านอย่างเต็มที่ เรื่องความเป็นภายในจิตใจนี้ยิ่งเป็นของสําคัญที่จะต้องศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้ทันแม่นายะให้เสมอเราจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนินชา้าคือการปฏิบัติภายในจิตใจ น, นี้ถ้าหากว่าปราศจากครู อ, อาจารย์อย่างน้อยก็เน่นท้ามากกว่า น, นั้นก็ผิดแต่เมื่อท่านครูได้ผ่านไปแล้วแนะนําฝังสอนเราย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ให้ต้องเน้นช้าผิดที่คงไหนท่านก็พี้แจงแสดงบอกแล้วก็กลับใจทันทีเนาะพร้อมทั้งการที้บอกในทางที่ถูกให้เราได้ดำเนินทันทีอีกใจก็เป็นไปได้วยความราบรื่นและรวดเร็วหลักการแสดงหาครูาอาจารย์เป็นของจําเป็นงนี้สำหรับผู้ที่มุ่งหาธรรมะ เป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งจะรู้ภายในใจของผู้บำเพ็ญเรื่องของครูของอาจารย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับเราในการแนะนำจักเตือนสังสอนดังนั้นผมจึงขออนุโมทนาและขอบคุณบรรณาทุกทุท่ทานที่อุตส่าห์มาจากทางใ จ, จงยณะชีวิตจิตใจ ความเป็นความตายมอบไว้กับความตั้งอกตั้งใจมอบไว้กับธรรมะคำส่องของพระพุทธเจ้าในอิสระมาจนถึงขนาดนี้และได้มุ่งหน้ามาเพื่อบําเพ็ญกุศาขอให้ทุกทุกทันจงสมตามความมุ่งหมายปรารถนาดังที่ได้กระละตนมาอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขอความ กำเนึกผลที่ทำทั้งหลายโดยมึง่งไม่แล้วจงเป็นไปในจิตของทำทั้งหลายโดยตัวหนังกันเธอ